อากาศหนาวๆดมันก็ยังไข่อย devant, ู่ด้เนาะนเาไปนัมไข่ไปนั่มเีแต่ไข่นี่ยกยังบเศ้ามันก็พอหยุดบาอย่างอากาศหนาวภายในมักไข่ไปอยู่บาดดีคว่ภาวนาเ้าไปย่าเศ้าเลอนาไปนัภาวนาไปนัไข่ไปนัภาวนาไปนั่มปนีแรจีนไข่ กิจฉ่ายมันเศ้าสะก้อนอ่อเศ้าไขส่สะก้อนยังสิภาวาน่าเอ า, ม, า, อเาเมันหนาวอีกชน่ยเข้ามันหนาวสะกันยังสิภาวน่าต่อเพื่ออีกอะกนยนงไงเป็นผิวเขาอยู่ภาวน่าแล้วกินเขาแล้วะกันยังสิภาวน้ า, า, น า, า, า, นาโอ้ยมันมีแนวต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเป็นสายอยู่โมมีว า, า, า, าหน่อยเฮาภาวน่าดอก เอาภาวนาใจเข้าไปเมื่อหาจะเอาภาวนาใจน้ำหนาวจะเอาภาวนาใจน้ำกิบทองเอาภาวนาใจน้ำกินเผาเอาภาวนาใจน้ำาของน้ำของควมเผาภาวนาใจเมื <im varios> ่อเมนเทร์ให้ใจให้ด้วยมันภาวนาใจนี่ข่วมขักกำลังขักกำลังหลงเลเอาภาวนาใจเข้าไปน้ำพอ เอาภาวนานี่ยเว้ยพหนึ่งยึดใจสงบสงบไปนำ้ำมันหนาวไปกระซ่อมใจเห็นมันยู่งสงบเห็นมันใจนิ่ใจสงบ ใ, ใจนิ่งไน้ำสองเห็นทิศเยลระหน้าเด้อเห็นิจเลระนาเห็นว่าใครก็ได้หนาวก็ได้ยึดฟองก็ได้ยังก็ได้ละ มันเป็นอนิจจังทุกครั้งเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมั น, นเป็นของบดเสียงบดแผลแบบกระี่มันเ็ยังบมี่เลเนี่ยอันมาไข่มาเก็บทอมาปวดมาเมื่อยมันกัมากยังงนก็สีเทาขันบเทามันเป็นไรสุไปมตายเลยเอ้าเมื่อกับเตียนเถอละเดชมันเตียนถึงจัมี่แต่เป็นจำไม่เป็นสุดเ็ใหญ่สหนาสุดลายึุ คือหลังเสือมันเปียนเป็นเศ้าเนมันจิตเป็นอนิจังรู้ไว้ดีๆอ น, น, นเป็นทุกขังเนี่ยบองบดตองคึยาอกมันเป็นทุกข์อยู่แ ล, แล้วหละเป็นไครก็เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็เห็นว่าเป็นมันเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยคือมันเปลี่ยนตามกระเนยนมันมันบอกโมฆะภับโมฆวะาวา่ามาภาวนาเราได้น ยาเสพติดแล้วขอแล้วภาวนาแล้วบระเน้มันบวกระจึงสั่งเ้หนาวูมันกลอมะห่อนมันกลมะหิ้วเขายิ้มันกมเนียเพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็ยนตามมันมันบระเมื่อ้าเอาเลยหมง่้าคือไทาัต้องว่าถือมันเป็นอนาตว่โอ้มันเป็นเรื่องมันเป็นโลกบนเรื่องเมืงกองทัพขนิ่นขนเิดใทยได้สวยมันก็มันถืมาเบียดเบียนเทาเด้ โมแมนตอกมันเปลีนซื้อๆมันเป็ี่ยนใสั่นซืน้อๆบริเวณมาเบียดเบียนเท่ามิจะเท่านี่แหะแต่เอามันมาเบียดเบียนจะของเนคะื่องค้น อ, อี่แล้วย่างไปย่างไปเขาบริเวต่างใจไ ม, เม่เบียดสีเม่รอเขาไปย่างไปพวกเขาคนน่ะจะของนะ ค, องคนเอาสีได้ไปไปหันเมื่อกี้เบียดขอหันหันวาเขามาเบียดสีจะของคนเทีย่ยงสัส่นซือ้อๆหรอก ใจสงบอ่าใจสงบเราก็ลองคิดเส็จแล้วหน้าเบิ้ว่าเอออันนี้มันเป็นเป็นอนิจจังเป็นทุกครั้งเป็นอนัตตาตัวว่าอันนันจะเป็นอนิจจังเป็นทุกครั้งเป็นนัตตาไอ้สินี่หละงานห้องงานนภะาวนางานนี้หละงน่นยืนประกอบด้วยที่องงานขวดต า, านั่นวัดบินฑบาตมากสันเอไอสักหาจีว่องชีวช่วาน่างอมหา มูลนั้นเนมันงานประกอบที่สุดดอกนั้นอ่ะอย่างื่นเนี่ยมันประกอบที่คืออย่นี้เป็นภาวนาหรือจะเป็นงานหลักของหอถ้าเนี่นตายละไอ้ทนงานเกี่มตายไอ้ทำงานภาวนานี่ยแหละเกี่ยมตายถ้าเนี่ยเกี่ตายค่างานวเกี่ยตายค่าภาวนานี่แหละจคือทึ่สือวิธีการของหนักภาวนาเดี๋ยวไปใ่ตอนงานอื่นเนอะ สุดเสถ่าพ่วงพ่วกลุ่มคววมรุ่มของสิ่งต่างๆมาพัดมาค้องในโลกนี้อย่าไปขาดเป็นอันขาดอย่าสิบป็นตื้นเามันมั่วซ่าเอาเลยมันหลบไปเพราะมัน่ิสิดายมันมดมันเศร้าซะก่อนเพราเศร้าโบมุดเรียหรอกมันต่อกันเป็นสายอยู่วิธีของโลกมันเป็นดินสีแล้าวสิบสิบสีมันก็บอได้ไปตีไปหายไปสร้างมันก็บอได้หรอมันเป็ีแยนไปอยู่เป็นสีซื่อๆเอรามันคือ จะปิดปีใหมันเมื่อยให้มันหยาให้มันเพียงใจติดปอยกันเลม่อยากเป็นไงดไให้มันเป็นซะคูมันจบคูมังามไมันง่ามซะคู่กีหลายคู่ีหลายซะคูมันตัวไปให้มันตัวไปปอยซะอันไหนถึงจ้างนั่นแะอย่าไปสั้งโดให้ปอยดีปอยถิ่นซะเก้าอันนั้นฮะซึ้งกันปอยถิ่เก้า อันว <SCP> ่ามันหักอันหักโดนไปโดนมาอันหักเป็นอะไจีเจ็ดในห้องเจ็ดก็ปวดหลายตัวเกาขาโดนไปแต่มันอักเสบถึงว่าฮัลโหลข่วมหักมีอักเสบเข้าพักหนังเสียดายห้ังหนึ่งันมันอักเสบมันปิดพิดถึงว่าโอ้แห้งกว่าหินเถอะหัดกินหัดว่างหัือคือขี้นดีมีระว่างซะขันว่างพอท่านได้ใจมันจิตปันควไปเลหมดความสงบสงบ ท่นสาหลายวิธีพาบนาบบงยาคนนอกเราหนาวูาทีแหละแียงดีพี่กันกันะ